พระธรรมเทศนาแผ่นที่111ดลำดับที่12โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สเมษายน2560มีชื่อเรื่องว่าปฏิบัติตัวให้สมฐานะของตนวันนี้เป็นวันจันทร์ที่สาม เมษายนพุทธศักราช2560แต่วันนี้หลวงพ่อก็ได้ถามมันกันว่าเอาทาไมวันจันทร์จึงออกมาฉันข้างนอกลูกหลานพระก็บอกว่าวันพุงนี้เป็นวันพระเพราะนั้นปิมันขั้นอยู่วันเดียวขออนุญาตจากหลวงพ่อมาฉันข้างนอกได้ไหมเออเอาได้เพราะว่าวันพุงนี้จะได้ขนของมาอีกก็เป็นภาระของพระกูบาเหมือนกัน วันนั้นวันนี้เป็นวันจันทร์วันเจ็ดค่ำก็มาจันข้างนอกก็ได้วันพุธนี้เป็นวันพระเมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อเองได้ออกไปแสดงธรรมโดยไปเทศงานประชุมเพลิง อ, อ, อยู่ในเขต อำจังหวัดน้องบวัวลำพูโอ้ไปไกลพอสมควรลูกหลานกลับมาก็ประมาณสักสี่ห้าสี่โมงเย็นสี่โมงกว่ามาถึงวัดนะแต่ในช่วงนี้หลวงตาเองหลวงพ่อเองอก็อยาบอกกล่าวทั้งพระทั้งคณะทศไทยญาติโยมลูกหลานทุกคนนั่นแหล ะ, ะเพราะว่าความเตรียมพร้อมอ ในงานของวันที่ยี่แต่ตามไม่จริงงานวันที่27บเดท่าเราพูดไปก็เหมือนกับ ก, การโฆษณาประชาสัมพันธ์ในงานของหลวงพ่อเองแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อไม่ได้จัดงานนะลูกหลานนะพูดแต่ไหนแต่ไรมาแต่งานมันมาพลาดมาเกยเท่านั้นเองแต่เราจะทํำยังไงในเมื่องานมาพลาดมาเกยเราที่เป็นเจ้าของบ้านที่หลวงพ่อเป็นเจ้าของบ้าน เป็นหัวหน้านี่จะไม่พูดไม่กล่าวไม่ตักไม่เตือนไม่บอกผู้ที่เกี่ยวข้องจะเลยก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันเพราะนั้นหลวงพ่อจึงบอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายบอกว่าปีนี้นะปีหกศูนย์หลวงพ่ออายุเจ็ดสิบสองปีมันขึ้นในมอขึ้นในหมอดูของหลวงพ่อเหมือนกันว่า คนคงจะมากกว่าทุกปีในความในความรู้สึกของหลวงพ่อนะเพราะหลวงพ่อได้ยินใครๆลูกหลานก็ได้ยินหลายหมูห่หลายกลุ่มหลายคณะที่จะเข้ามาเพราะนั้นเราที่เป็นลูกหลานที่เป็นเจ้าของบ้านที่อยู่กับหลวงพ่อที่อยู่ใกล้นะต้องมองมองดูช่วยๆกันดูนะเรื่องน้ำเรื่องท่าแะก็จะล้างก็รีบล้างล้างถังทาให้มั่นใจว่าทังน้าไม่สะอาด ไม่ใช่ว่าใกล้ใกล้ใกล้ๆแล้วยังคอยไปล้างถังน้ำไม่ได้นะทั้งน้ำทั้งไฟนะั่นหะทั้งห้องนองห้องน้ำนะี่ตัวไหนมันมีปัญหาช่วยๆการคิดแต่นนเดิ น, น, นถนนหนทางจุดไหนที่เราจะต้องเพิ่มเติมอันให้ก็ช่วยกันคิดอีกแล้วก็มองแผนมองไปอีกว่าเราจะจอดรถที่ไหน นั่นก็ต้องมองอีกมองหลายๆ ม, มุมนี่คืองานปีหนึ่งก็มีเพียงครั้งเดียวงานตัวนี้งานงานวันเกิดโรงงานของหลวงพ่อในวันนี้นะวันนั้นในพวกเราลูกหลานทุกองนะดูการดูงานในจุดนี้นะ และก็พร้อมการการปฏิบัติธรรมที่หลวงพ่อได้ยินแต่หลวงพ่อกวิตกกังวลอีกเหมือนกันจวนหนึ่งที่หลวงพ่อพูดไปทุกวี่ทุกวันออกไปทางเฟสบางบางท่านบางคนอาจจะเข้าใจผิดอย่างที่หลวงพ่อได้ยินสะท้อนผลสะท้อนย้อนกลับมา หลวงพ่อก็มองดูอืมจริงเหี๋าวนี้มันก็เกิดมีขึ้นมาได้เพราะายตาไม่จริงหลวงพ่อก็บอกว่าให้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมให้ภาวนานะเนี่ยแหละเราอยู่ในโลกวัะสงสารเราอยู่ไม่นานไม่นานไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้จะไปเมื่ อ, อไรแต่บางคนก็มาจับประเด็ดในใดมุมหนึ่ง เหมือนกับว่าเรามาอยู่ในโลกเนี่ยท้อแท้หมดความกระตือรือร้ น, นมีแต่จะมุ่งหวังหาทางพ้นทุกข์หาทางที่จะหนีจากโลกแต่ว่ามองมองดูแล้ว เป็นความคิดสุดโตง่งเนี่ยตรงพ่อกลัวจุดนี้แหะเป็นความคิดที่ว่สุดโตง่งเมื่อเราไม่ได้มองว่าเราอยู่ในสถานะไหนแต่ถ้าว่าเรามองดูโลกหน้าเบื่อหน่ายจากนั้นเราก็ออกมาบวชอย่างพระพุทธเจ้าและอย่างหลวงพ่อออกมาอยู่วัดแล้วก็ตักง อ, อกตั้งใจประพฤติธปฏิบัติ ถ้าทำได้อย่างนี้ดีดีเลิศแต่ถ้าว่าเราอยู่ในครวาดอยู่จะเป็นแม่บ้านก็ดีจะเป็นพ่อบ้านก็ดีจะเป็นผู้ใดก็ตามแต่เราอย่างกินอย่างใช้อยู่ในครอบครัวอยู่แต่ว่าเราจะมุ่งหวังมุ่งมั่นในธรรมะจนไม่ทำการทำงานจนไม่รู้จักทามาหาเลี้ยงชีพอันนั้นไม่ถูกตรงพ่อพูดอย่างนั้นได้ เพราะอะไรเพราะเราไม่อยู่ในเราอยู่ในสถานะไหนถ้าเราอยู่ในสถานะพระอย่างเนี้ยอย่างหลวงพ่อเนี่ยต้องคิดอีกแบบหนึ่งเออถ้าเราอยู่ในสถานะพระเข้ามาสู่วัดวาศาสนาเออโอ้เบื่อโลกจริงๆเบื่อนายโลกเนี่ยเมื่อเข้ามาอยู่วัดออพอเข้ามาอยู่วัด ว้าเวอ้างวางเงียบเหงาสืมเศร้าคิดถึงบ้านคิดถึงการงานทิดถึงบ้านคิดถึงการอยู่การกิ น, านการกาเที่ยวการเตะเหมือนกับเราไม่เคยอยู่ทางโลกมาลักษณะอย่างนั้นอันนั้นแปลว่าเราก็ผิดอีกเหมือนกันแปลว่าวางตัวไม่ถูกในเมื่อเรามาบวชก็นู้นมองไปทางโลกในเมื่ออยู่ทางโลก ก็มองเข้ามาทางธรรมเอแบบสุดโต่งนี่แหละจุดนี้แหละหลวงพ่อหลวงพ่อพิจารณาดูน่ากลัวทั้งสองฝ่ายในเมื่อเป็นพระก็เยื่อใหญ่ทางฆราวาสอยากจะเป็นฆราวาสยังมีความสุขแบบฆราวาสคิดแบบฆราวาสพูดแบบฆราวาสการแสดงออกแบบฆราวาสเมื่อเราเป็นพระในเมื่อเราเป็นฆราวาสเราก็จ ะ, จะทําตัวเหมือนกับพระ แต่ทั้งที่เราอยู่ในคารวาตยังมีครอบมีครัวยังมีสามีภรรยายังมีลูกอยู่อหน้าที่การงานก่อนเบื่อหนายในหน้าที่การงานอแต่เวลารับเงินเดือนไม่เบื่อแต่เวลาจะรับเงินเดือนโอ้โหก็โดดใ่เลยขาดบาทหนึ่งเฉลึงหนึ่งก็ไม่ได้ออันนั้นแปลว่าไม่เบื่อเรื่องการับเงินเดือนอแต่หน้าที่การงานพอเวลาทํางานโอโ้เหมือนจูงหมาใส่ฝนเบื่องานะ มุ่งหวังไปในทางอัดทางทำเกิดความเบื่อหน่ายเราทำไปเพื่ออะไรพอทําไปแล้วก็นนะสุดในสุดก็แก่เจ็บตายในที่สุดไม่เห็นได้อะไรผลในสุดเบื่อหน่ายในงานแต่แตามไม่จริงเบื่อหน่ายอย่างนั้นมันเบื่อเบื่ออยากหยามันตัวกิเลสทางงั้นเราต้องรู้เงื่อนของมันเพราะนั้นเราเราเป็นครวาตเราก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สดุดอย่าให้ขาดตกบกพร่อง อันไหนเราจะส ะ, สะแวงหาเงินเข้ามาเลี้ยงครอบครัวของเราเราต้องขยันต้องส ะ, สะแวงหาทำอะไรก็ได้แต่อย่าไปทำแบบมิจฉาชีพอย่าไปคดอย่าไปโกงอย่าไปป้นอย่าไปเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเขาอย่าไปต้มหลุนตุนหลอกลวงคนอื่นเขาอันนั้นไม่ถูกอันนั้นมิจฉาชีพมิจฉาชีพและสามมาชีพ เราก็ควรจะรู้อย่างขายสัตว์ที่มีชีวิตขายเครื่องประหารขายสัตว์เป็นสำหรับค่าเพื่อเป็นอาหารค่าขายน้ำเมาค่าขายยาพิษค่าขายมนุษย์อันนี้เป็นว่ามิจฉามิจฉาวานิชชาการค้าขายไม่ชอบทำเรียกว่ามิจฉาชีพเราที่มุ่งหวังจกจะหาทางพ้นทุกไม่ควรทำ เราสำ ม, มาชีพเรามีตั้งเยอะแยะเป็นลูกน้องของเขาก็ได้ทํามาค้าขายอะไร้ใส่เื้อสัตว์จุดจริตมันขยันอดทนปลูกผักปลูกหญ้าก็ได้อะไรมีมากมายในสำ ม, มาชีพของเรานี่แหละคือเราอยู่ในคราวาสก็ให้อยู่อยู่ในครวาวตสธรรมอยู่ในครอบครัวเลี้ยงดูครอบครัวให้ได้รับความความได้รับความสุข คล้ายๆว่าไว้เนื้อเชื่อใจมอบความไว้วางใจในครอบครัวในสามีภรรยาในลูกช่วยกันหาทามาหาเลี้ยงชีพพร้อมกันก็หาหนทางปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมในครอบครัวอันนั้นมันจึงจะถูกนะไม่ใช่ว่าคนหนึ่งคนหนึ่งพายเรือคนหนึ่งเอาขาลาลากน้ำบางทีภรรยาหา เลี้ยงครอบครัวแต่สามีอยู่แบบชังกระต่ายไม่ช่วยอันนั้นก็ไม่ถูกบางทีสามีหา เ, เลี้ยงครอบครัวภรรยาแบบอยู่แบบชัง ก, ะกระต่ายไม่กระตือหรือล้นอันนั้นก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันเพราะนั้น ส, ส, ส, ส, สิ่งเหล่านี้นะคร อ, อบครัวใดก็ตามที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อเนะ่มันต้องเคียงบา่าเคียงไหลนะเพราะต่างคนก็ต่างมีปากมีท้อง อย่าให้เป็นภาระของผู้ใดใครผู้หนึ่งแต่ฝ่ายใครข้างหนึ่งข้างใดข้างหนึ่งจะไปพูดก็เกรงอกเกรงใจเเขาอาจจะปรับปรุงแก้ไขตัวของเขาได้อยู่เพราะช่วงนี้รู้สึกว่าเขาผิดปกติอย่างนี้แต่อย่าให้เขาได้เพ่งมองมาทางเราเราต้องเป็นผู้กระตือรือร้อนเป็นผู้ฟิตตัวเองให้เข้มแข็งอยู่เสมอ จากนั้นก็ช่วยเหลือเจอจอาจารย์ครอบครัวทั้งฝ่ายหญิงทั้งฝ่ายชายเมื่อเราเข้ามาบวชเราคิดดีแล้วอืเราจะเข้ามาบวชมาปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาในวัดนเราต้องคิดดีพอเข้ามาแล้วก่อนนะเราไม่ต้องมุ่งหวังทางโลกไม่ต้องคิดถึงทางโลกอีกแต่มันก็ยากนะตัดจิตตัดใจจุดนี้ไม่ใช่ของง่ายอีกเหมือนกันแต่เมื่อเราเป็นฆราวาส มองมาสู่วัดวาศาสนาเนี่ยเหมือนกับสวรรค์วิมานไปในทางที่ถูกต้องเราเข้าไปนี่เราจะต้องรักษาศีลต้องปฏิบัติธรรมต้องนั่งภาวนาต้องเดินจงกรมต้องอยู่ในหาทางพ้นทุกข์เอาอย่างอุ ก, กรฤษดความตั้งใจอยู่คารวะพอเข้ามาอยู่วัดนะอยู่วันช่วงวันก็ดีหรอกพออยู่ซี่ห้าหกเจ็ดวันขึ้นไปแล้วเนี่ย ใจิตใจว้าเวอ้างว้างเงียบเหง า, าคิดถึงบ้านคิดถึงเรื่องอยู่เรื่องกิน เ, เรื่องสนุกสะนั้นเรื่องพูดเรื่องคุย เ, เรื่องเที่ยวเรื่องเตรเรื่องการใช้เงินใช้ทองมันมีมากมายเหลือเกินพระนริศก็เลยหมดอะไรตายอยากในการเป็นที่เข้ามาสู่วัดวาศาสนาใจิตใจเลยถึงจะอยู่ใน ถึงร่างกายจะอยู่ในวัดก็จริงอยู่ถ้าจะออกไปก็อายเขาเถนีเพราะตัวเองพูดมาก่อนแล้วว่าเบื่อหน่ายทางโลกแต่จะออกไปก็อายเขาก็เลยแบบอยู่แบบชังกระตายอนีอ้อยู่แบบชังกระตายจิตใจออกอยู่ทางโลกเต็มร้อยแต่ร่างกายอยู่ในวัดวาศาสนาไอ้พวกหมูพวกเพื่อนที่เลี้ยงดูอยู่ในวัดวาศาสนาก็เหมือนกับเลี้ยงสักว์เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสากผีลักษณะอย่างนั้นแหละจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว เ, เลื่อนๆล อ, นอยๆลางๆเนะพราะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราที่เป็นนักพรตนักบวชต้องคิดดูให้ดีจริงไหมเป็นไปได้ไหมให้พวกเราคิดดูเพราะนั้นที่หลวงพ่อบอกว่าเมื่อเราเป็นพระนะเราก็ต้องมุ่งมัน่นเอาเถอะมันกิเลสมันมีบางครั้งเข้ามาเหยียบเรา แต่บางครั้งเราจะให้มันเหยียบไปตลอดไม่ได้เราต้องมองดูสิว่าได้อะไรเราอยู่ทางคารวสเราคิดดูแล้วไม่ใช่เหรอมันมีอะไรมันดีอะไรมันดีใช่ไหมถ้ามันดีเรามาบวชทำไมมันดีอะไรพิจรารณ า, นานดูกันกลองด้วยเหตุและผลสิเสิ่งเหล่านี้ที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยหลวงพ่อเปรียบเทียบนู่นเปรียบเทียบสมัยหลวงพ่อเป็น เป็นเด็กเข้ามาอยู่วัดใหม่ไเออยู่ใหม่ๆโอ้โหดีสองสามวันวันวันแรกนกระตือรือร้นอ<ม>จะอยู่อยงุ่นอย่างนี้ค่อคๆวาดมโนภาพพอสามสี่วันเท่านั้นไอ้ความคิดเหล่านั้นมันไม่นรู้หายไปไหนหมดมีแต่ความว้าเหวอ้างว้างเข้ามาสู่จิตใจไปคนละทางเลยทีนี้นีเรารู้ว่าความอ้างอ้างว้างจุดนั้ น, นะคืออะไรเนี่ยนี่แหละ แต่้เรามาเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าอีกบรมครูของพวกเราทั้งที่ท่านบำเพ็ญมาทั้งหกปีนะแต่ก่อนหน้านั้นท่านก็ไม่ได้พูดถึงนะเออคงจะมีมาลงมาตุ่มจนพอแรงนะเอจนถึงพระองค์เนี่ยน้ำฮาพเนตนะอาจจะหลั่งไหลยอยู่ไม่รู้กี่ครั้งเราก็ไม่ท่านก็ไม่พูดถึงจุดนั้นใช่ไหมล่ะแต่ละพวกเราก็ วันสุดท้ายที่พระ อ, องค์ได้ตัดรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่เป็นประวัติออกมาในว่าพุท ธ, ธประวัติเนี่ยพระ อ, องค์ได้สู้กับพญามารนะพญามารที่มาสู้กับพระ อ, องค์พรพร้อมกับเสนามารแล้วก็มีลูกสาวพญามารอีกตันหาราคาอราดีนางสาวสวยนางตันหาตันหาก็คือราคะตันหาราคาคือราคะอรดี ความอิจฉาความพยาบาทในจิตใจสามนางเข้ามายุ่ยยวนพระพุทธเจ้าพร้อมกับพยามารที่เป็นพ่อของเขาพ่อของมานเข้ามาเข้ามาแย่งชิงบัลลังก์ชิงบัลลังก์ก็คือกริงยิงแย่งชิงความรู้จึกนึกคิดในพระไทยของพระองค์ จงพระ อ, องค์สะท้านหวั่นไหวไปหมดผลที่สุดพระ อ, องค์ก็ตั้งจิตอธิษฐานมาเราเบําเพ็ญพุทธภูมิพุทธบารมีมาเพื่อจะได้ตั้รู้เป็นพนระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเราจะไม่หวั่นไหวเราจะไม่สะท้านไม่ฉกทะ ท, ะทะทกสะท้านเราเดินทางนี้เรามอบกายถวาย ช, ชีวิตทางนี้พระไทยของพระองค์แนวแน่จากนั้นจึงมี น้ำานางธรณีปิดหมวยผมคือน้ำพระไทยของพระพุทธเจ้ า, อ, าออกหลั่งไหลออกมาจนท่วมท้นพวกพยามารเสนามานตัณหาราคาอรดีไหลละเลงละลายไปกับน้ำพระไทยของพระองค์พระองค์จึงเป็นผู้ชนะมารคือชนะในใจของพระองค์นี่แหละขนาดพระพุทธเจ้าแท้ๆยังยังมีพยามาลด้ พระเนนคณะสัท ธ, ธาญาจโฉมลูกหลานนะเพราะฉะนั้นพวกเราเข้ามานะัยพยาบาลทั้งหลายถึงเข้ามามาลงมาตุ่มจิตมาถึงเพล่เพอยังร้องโห่งร้องโหน่รงร้องให้ซึมเศร้าในจิตในใจอีกต่างหากนั่นแนหะมันกิเลส ต, ตัวนี้ไม่ใช่ธรรมดานะลูกหลานนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะเข้มแข็งนะเหมาะกายแต่ว่าชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์อย่างเข้มแข็ง อย่าไปสะทกสะทานอย่าไปวันไหวนี่แหละถ้าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจา้าต้องเป็นอย่างนั้นในเมื่อเป็นคราวาสก็เหมือนกันเราเป็นคราวาสก็เป็นอยู่ในคราวาิที่ดีดูแลรับติดชอบในครอบครัวทั้งสามีภรรยาดูแลลกูกดูแลครอบครัวทามาหาเหลี้ยงชีพโดยสุดเจริตในเมื่อออกมาบวชก็ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเออถึงการของเราแล้วหมดภาระแล้ว เราจะต้องออกบวชเราก็ออกบวดด้วยความตั้งใจภาวนาหาทางพ้นทุกข์อย่างไม่ต้องเยื่อใยกับคารวาดอีกเพราะเราได้คิดดีแล้วได้ตัดสินใจแล้วในเรื่องนั้นๆนี่แหละสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะให้พวกเราแยกแยะให้ออกให้เป็นสัดส่วนพดนง่ายๆอันนี้ก็หลวงพ่อก็เคยได้ยินใส่เมื่อเป็นคารวาดก็เบื่ออยากจะบวช พอบวชเข้ามาแล้วก็นั่นแหละเบื่อพระอีกอไม่รู้ว่าเบื่อตรงไหนตรงไหนสรุปแล้วก็คือกิเลสราคะโทสะโมหะเตะใจของเราเหมือนกับลูกฟุตบอนะลเลยกริ่งเหมือนลูกฟุตบอลมันนกระลกกลิงไปไหนตกลไปไหนฮะนตัวเองยังไม่รู้ว่ากิเลสเตะฮะกิเลสเตะหัวใจฮเอตะใจของเราไม่รู้ว่าจนตั้งตัวไม่ติดก็ยังไม่รู้ว่ากิเลสเตะนะไง พอจะรู้นู่นอในเมื่อใดสมาธิเมื่อไหร่จิตใจทําจิตใจสู้เมื่อไหร่จิตใจคึดสู้เหมืนกันฮดสู้นะพอคุณสู้จากจิตใจเป็นสมาธิติดใจตั้งหลักได้ในเมื่อจิตใจตั้งหลักได้เมื่อนัอ้นแหละที่ไหอจึงรู้จุดรู้โอโหกิเลสตัวนี้นะไม่ใช่ธรรมดานะกิเลสราคะกิเลสโทสะโมหนะมันจริงอย่างที่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์พูดจริงๆนะ นี่แหละขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะสัธาญาติโยมผู้ที่เข้ามาสู่วัดวาศาสนาผู้ปฏิบัติก็เหมือนกันต้องดูดูรูจิตดูใจที่หลวงพ่อได้พูดย้ำว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรเพื่อนฝูงให้ระวังวาจาให้ฟังเอาไว้ถึงพูดอีกกี่ครั้ง ก็เป็นแนวทางสําหรับพวกเราได้สังเกตนะ เ, เพราะอยู่คนเดียวมันคิดปุ่งฟูงจริงๆบ ง, งเผื่อๆมันจะเป็นบ้าเป็นบ่นบออะไรง่ายๆมันทําไมคิดอย่างนั้นก็ไม่ทราบเหมือนกับเราเป็นฆราวาสมาเหมือนกับเราไม่เป็นฆราวาสมองไปฆราวาสเหมือนกับสวรรค์ที่มาอาพอไปเป็นฆราวาสโอ้โหตายกูกลับมาทําไมทําไมมันก็เป็นอย่างเก่านะี่ยนะกูทําไมกลับมาอกีก กูทำไมโง่นักใจที่ไหนได้ก็อยู่เลยตําเลยไปอีก น, ะนี่แหละเรื่องกิเลสมันเป็นอย่างนั้นนะพระเนลูกหลานเจ้าายญาติโยมนะวันนี้ให้แนวความคิดแนวหนึ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายที่จะมาสู้กับกิเลสสู้กับฝ่ายต่ำเาเทีบตัวขึ้นมาสู่ฝ่ายสูงไม่ใช่ธรรมดานะขนาดพระพุทธเจ้ากันรอแล่เต็มทนเหมือนกัน ที่ท่านสู้กับพยามาล น, นะก่อนจะเอาชนะพยามาลได้ก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันแต่ก่อนหน้านั้นท่านก็คงจะสู้จนพอแรงนะมะั้งแต่ถ้าไ ม, ไม่เป็นประวัตินะพอครั้งสุดท้ายนะ่ยท่านสู้สชนะก็เลยเลยพูดเป็นพระพุทธองค์ก็เลยเป็นถือว่าเป็นฮีโร่เท่านี้ชนะพยามาลใชแต่ก่อนแพ้พยามาลแพ้พยามาล พ, พ, าาพระพยายาาุทธเจ้าไม่พูดใช่ไหมในช่วงแพ้เนะี่ย เหมือนกับนมวยนมวยแพ้ถูกเขานอกนะไม่นับใช่ไหมไม่พูดถึงนะแต่เมื่อชนะเมื่อไรก็เมื่อ น, นั้นยังค่อยนับว่าค่าเป็นผู้ชนะใช่ไหมพวกเราท่านทั้งหลายก็คงจะลักษณะอย่างวันนั้นกำมังนะรับพรนในเีนหะน้ะ